น้ำอสิจิเคลื่อน5การวงเล็บหนึ่งพิกษุจงใจพยายามเมื่อเกิดความกำหนัดน้ำอสิจิเคลื่อนต้องอบัดสังฆาทิเศษวงเล็บสองพิกษุจงใจพยายามเมื่อปวดอุจจาระน้ำอสิจิเคลื่อนต้องอบัดสังฆาทิเศษวงเล็บสภิกษุจงใจพยายามเมื่อปวดปัสสาวะน้ำอสิจิเคลื่อนต้องอบัดสังฆาทิเศษวงเล็บสี่ ภิกษุจงใจพยายามเมื่อต้องลมน้าอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บ 5. ภิกษุจงใจพยายามเมื่อถูกบุ้งขนน้ําอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ